ต้องอสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอบแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาษชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นนายการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัพทวนบริษัทบริวารสองร้อยห้าิบคนไปศึกษากับ อบรมกับพระพุทธเจา้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในปูม่วงต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจระศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจระศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจา้า แล้วบรรณาบริษัทบริบาลที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สำเร็จนอกผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือภาษาลิบุตรและพะโมคคันลาเรากดว่า7วันพโมคันลาไม่สาเร็จภาษาลิบุตร15วันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเอง อาจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ่งเชิงเหลือแต่คุณค่าหมหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่อง แห่งความก่อปวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกรงจับหมุนติ้วอยู่กับพบกับชากับความเกิดแก่เสด็จตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิรลย์ตันหาธรรมะพูดสรุปความแล้วลงแนวเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ทำละ สาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะทำให้เงินว่าตายเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกําลังความสามารถสติปัญญารวงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้ที่เหล็กความยากความง่ายเราความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นมือกระสยิ่งกว่าผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใด จะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแ ก, ก้กิเลสนีไ้ได้เมื่อเป็นเช่นั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดําเนินตามวิธีที่จะแ ก, ก้กิเลสได้นี้เท่านัน้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระษาบอก ทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอาวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดําเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดําเนินไปตามอริยมิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีการจิดปาปิญญาท่านทุกขาปฏิปาทาทันทาปิญญาอย่างนี้เป็นต้น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 จำพวกหนึ่งสุขาปฏิบัติธาทันธาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี้ประเภทหนึ่งผู้ขาปฏิบัติธามีสองประเภทหรือไงลืมเนี่ยคือทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี้ปร ะ, ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี้ประเภทหนึ่งมันจะมีสองประเภทหรืลืม เมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกพรกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแต่กิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลําบากที่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคากิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหล่อออกมแม่แต่ผิวหนัง ก็ต้องผุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสที่จะลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทาอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรีวามเบาเหมือนกับสายกบ แผ่นกระดานไม่ใช่สากบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นกับสากับสกบกระดาษนีมันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ท้งต้นเราจะเอากบไปใสมันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโดงอฟันลงกัน ดัดนึงมันโก่งหนักเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถักได้ดสัดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใช้กบก็ปวดหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลําบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายอาจจะความขิดเกียจขี้คาดไปช่วยแก้กิเลสมันก็มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจข้าน ความเปลี่ยนการเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวชิงได้ี่เลสเจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วแต่ยากลําบากเพียงใดก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบุกบืนเท่านั้น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 หรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิดยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียออะไรให้จำบัดทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสาหรับตัวเราอันนี้เป็นอาตายอัตนาถูแท้ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้เชิงว่าตุมให้ปิดตังอาตัดปังอาขาตารุตถาคาตานิการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยดยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่นหยิยบยก หยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศัตปืนก็หมายถึงศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตร์วิเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนําทําเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายฤติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงคราม ด้วยความอาถรรพ์ชันชยัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราแล้วถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญากัปธาความเพียรวิเีวกก็ทับถมเราเราก็แพ้ถต่เรามีความอาถรรพฉลาดชานชัยคล่องแคล่วเกล้ากล้าด้วยสติปัญญ า, า, า, ห า, าแห ล, แแ ล, ญญแลมคมก็สามารถ จะทำลายกองที่เหลืออาชวะทั้งหลายซึ่งเป็นค้าสิบนั้นให้ราบไปได้ชัยณนะก็เป็นข้อเรล่าเรื่องมีอยู่เทา่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อยากมิสหายอะไรก็แล้วแต่จะรักสนิท ก, กันเพียงไรก็สักแต่ทําให้เป็นอารมณ์ ยุ่งเหืองวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเ บ, บิกทางให้เราไปได้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตัวสิ่งที่เป็นสุขตตวต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียนของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาปัฏฐานความเพียรของเรามีเท่านี้นที่ผู้ที่จะเอา ช, ชนะให้กิจลุก ค้นไปจักสิ่งปิดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูกธาตขันพระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ถักคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเรา เป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความงโง่ก็เป็นงโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอานาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแย่งแย้ธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตันเองก็เหมือนเหมือนกันกันกบครั้งพุท ธ, ทธการ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 ปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิษาคตที่ทรงสั่งสอนความเจเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกเนื้ทุกงมูมแก่เราขนขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากําจัดสิ่งที่เป็นคาสึกดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครท่านหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธีกาเข้าสู่สงคราม แห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รุดความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใค ร, เใครจะเป็นผู้โลภใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่ แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายัางเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหน้าคุณนเองอะแตเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแค่มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้จั ก, จกเยังษาภาวะตามหลักคำตังสวุ่ยเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสตัว่อีกแล้วก็ขายหน้าขู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าขู่ถ้าตาท้าคด คือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อ า, านสารผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกลงจักรแห่งวัฏจักรจนทิบไหยวายปวงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ธรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนว น, นี่คือตถาฏซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเขาเราที่เป็นทหารเอกแห่งชาสดา ผู้ทรงนามว่าศาสนาเอกเราจะดําเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินตามรอยหลงครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดําเนินด้วยความขยันไม่ดําเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อขาดเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนําชัยชนะมาสู่เราได้สังครบความโงข่ขาวว่าปัญญามีมากเพียงใด ก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตุ่มใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่ม่าแพ้อะไรที่เราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตา ม, มีชื่อมีเสียงมาจากไหน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 ขี่แสดงให้เห็นดูทักๆก็มีแต่เรื่องความรู้ความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภ า, ายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับลัดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหน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 เมื่อถึงใจ ย, ย่อมถึงก่เลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดที่รับชายชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันทนดูในสกุลใดก็ตามตามตวัดคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอกล้าเข้ามาสู่ความเป็นลูกสิตยถาพนแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเยียว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 นี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชนะของผู้จะไม่มาเกาะพบเกาอช่าเก่อความทุกข์ความทรมานแต่ตนตอบไสให้ยืดยาวนาต้องเป็นผู้เห็นไัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่าประจับใจ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 เนือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนี่แลคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในาศาสนานตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวการรอาทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็จะมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ไดยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะ น, นี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสาและสาวกท่านอันเนอยู่แล้ว ทำไมจะแก้ทิเด็ดไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หมูนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้ที่เด็ได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้น กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนนวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆุกรูปทุกๆุกนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่า น, นเองไมาอยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียง ว, ว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถันล้าหลังแล้วก็สลาย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 ตาปากทมเนียแปลว่าไฟเผาเกิเลสตาปากคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปดูที่ใจเนี่ยที่ว่าธรรนิพพานนั้นกลา ง, งวานอยู่ภายใน จ, จิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไมไ่เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกบาบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้น ความกังวลเป็นแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวลของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวัอุปาทิเสสาริผา น, นีกังวลทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกดเจียนหาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทำเหนือโลก เนื้อขอบเนื้อเขตของสมมตินิยมอะไรทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สม ม, มุติได้ แ, แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดค่าสึกกันเมื่อค่าสึกหมดแล้วก็ไมีมอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหา อยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องนีห่ะนี่แหละท่านเนี่กมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยามผุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกติกำลังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุลนานําพินิพิจารณาแล้วฟิกตัวก็เดินแบบ สิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพื้งใจิดงขอทิ่จิการแสดงแก่ท่าน